อายตนะภายในก็มีะะกะะหมกนะครับเนีได้แก่ตานั่นแหละตาหูจมูกนั่นนะครับบัณฑิตนะครับบัณฑิตนะไม่ใช่คนทั่วไปนะถึงจะเห็นอย่างนี้ได้บัณฑิตพึงเห็นอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างไม่ใช่ตาโบนะเพราะเว้นจากความยั่งยืนเว้นจากความงาม เว้นจากความสุขเว้นจากอัตภาพ น, านี่ไม่วิปลาสนะอย่าไปเห็นแบบวิปลาสบัณฑิตพึงเห็นอายตนะภายนอกอะไรครับสีเสียงกลิ่นรสอะไรน่นนะอายตนะภายนอกหกเหมือนกันบัณฑิตพึงเห็นอายตนะภายนอกเหมือนพวกโจรปล้นชาวบ้านมานี่ข้อหาหนักนะ เพราะกระทบภายใน อ, อันนี้ลึกหน่อยนะเอา้าใครจะอธิบายมาั้งเดี๋ยวเราเปรียบเทียบดูเดี๋ยวให้ท่านอธิบายนะเอาตอนนี้เห็นอายตนะภายในก่อนว่าเห็นอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างบัณฑิตเพิ่งเห็นอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างเพราะเว้นจากความยั่งยืน อยากความงามจากความสุขจากอัตภาพบัณฑิตพึงเห็นอายตนะภายนอกเหมือนพวกโจรปล้นชาวบ้านเพราะกระทบภายในสมดังพระดํารัสที่ตรัสว่าดูกรทิกสุทั้งหลายจาก ถ, ถูกรูปที่ชอบใจและไม่ชอบใจกระทบดังนี้อีกอย่างหนึ่งพึงเห็นอายตนะภายในเหมือนสัตว์หชนิดพึงเห็นอายตนะภายนอกเหมือน ที่เที่ยวหากินของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นได้แก่หนูบ้างจาระเข้บ้างนกบ้างสุนัขบ้านบ้างจิงจอกบ้างลิงบ้างก็ความนี้มาจากขันทารุทารุขันโทปมัสูตรพระสูตรที่โอปมาเหมือนกับท่อนไม้ลอยน้ำํำบอวกว่าท่อนไม้ที่ลอยน้ําอีกอีกสูตรหนึ่งนะ สูตรว่าด้วยท่อนไม้ลอยน้าบอกบางทีก็ลอยมากระทบฝั่งนี้บ้างลอยกระทบฝั่งโน้นบ้างเกยต้นบ้างแต่นี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เกี่ยวกับเรือนว่างอายตนะภายในเหมือนกับเรือนว่างอายตนะภายในเป็นชื่อของจักรุปสาทะเป็นชื่อของตาเป็นชื่อของหูเป็นชื่อของจมูกเป็นชื่อของลิ้นเป็นชื่อของกายเป็นชื่อของใจ ที่บอกว่าเป็นเหมือนเรือนว่างก็กล่าวว่าเรือนเนี่ยมีจริงแต่คำว่าว่างในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวตานี้มีจริงแต่ที่มันว่างหมายคำว่าตานี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเมื่อตาไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าเว้นจากความเที่ยงมันว่างจากความเที่ยงตานี่เว้นจากความงามจากสุภา ตาจริงๆนั้นถ้าจะเอาแบบปฏิกูลมาจับใช่ไหมโดยสีตาของบางคนเนี่ยดูงามแต่ถ้าตาของหลายคนจริงๆแล้วไม่งามถ้าหากว่าตาของถ้าตานั้นนะถ้าเป็นมันแปลสภาพไปจนถึงกับตาเสียหรือว่าเป็นตาจนถึงซากศพนะเขาบอกว่าเหมือนนำลำไยาเหมือนลาไยเชื่อมะมันจะเป็นคล้ายๆกันเลยเห็นลำไยเมื่อไหร่ก็เห็นตาที่ตาของศพจะเป็นคล้ายๆกัน เว้นจากความงามไม่เชื่อนะก็ไปขอบริจาคลวงตามาตักลูกหนึ่งไว้ดูเก็บไว้ดูอย่างไงีันตาจริงๆเนี่ยไม่มีความงามอยู่ในนั้นไม่มีความยั่งยืนอยู่ในนั้นเลยไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยแม้แต่คนเดียวแต่ถามว่าตามีจริงไหมจริงเพราะตาเกิดขึ้นพร้อมด้วยการประชุมของปัจจัยด้วยการประชุมพร้อมของปัจจัยเช่น ปัจจัยที่ทําให้ตาเกิดก็คือชัดเลยก็คือกรรมทําให้ตาของสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันประชุมพร้อมด้วยอาหารประชุมพร้อมด้วยจิตและก็อุณหภูมิหรือว่าอุตุกที่อยู่ในในตาด้วยนั่นแหละและ้วหูหูก็เหมือนกันหูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่มันว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากความเที่ยง ว่างจากความงามว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาอยู่ในนั้นหูมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมที่มีอยู่โดยการประชุมพร้อมของปัจจัยจมูกก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่มันว่างจากสี่อย่างที่ว่าไปแล้วก็ลิ้นลิ้นก็เป็นของที่ว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากความเที่ยงหรือแม้กระทั่งกายเลย กายนี้ถ่าพูดแยกเป็นส่วนเลยก็คือกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกกายคือม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเหล่านี้เนี่ยนับเนื่องอยู่ในกายกายเหล่านี้เนี่ยมีจริงแต่ถามว่ากายเหล่านี้เที่ยงไหมส่วนที่เป็นเส้นผมเนี่ยเที่ยงไหมเที่ยงงามไหม ในงามถามว่าในกายเหล่านั้นเนี่ยมีสัตว์อยู่ในตัวเส้นผมไหมไม่มีแต่ว่าผมเนี่ยมีพันธะองค์จึงกล่าวว่ากายเหล่าเนี้เป็นของว่างคําว่าว่างไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มันว่างจากสี่อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วใจเนี่ยความคิดใจเนี่ยมีเนะทุกคนมีความคิดเมื่อมีความคิดก็คือมีจิตมีใจใจก็คือสภาพที่รู้อารมณ์ ใจเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีจริงถามว่าที่ใช้คำว่าว่างก็แปลว่าว่างจากความเที่ยงจิตเนี่ยไม่เที่ยงอย่างจิตเห็นเนี่ยประชุมพร้อมระหว่างตากับสีจิตเห็นจึงเกิดแล้วจิตเห็นเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยให้จิตต่ อ, ตอไปเกิดขึ้นอะนั้นจิตตัวนี้เนี่ยว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนและ ว, ว่างจากความสุขนั่นแหละ หันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของว่างจากสี่อย่างนี้แล้วอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เนี่ยอาศัยอายตนะภายนอกมากระทบเช่นตากระทบกับสีกระทบกับสีเนี่ยมันกระเทือนถึงใจอะ่ะตากระทบกับสีกระเทือนถึงใจใจเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผวังขจิต พวังกจิตเป็นจิตชาติวิบากแต่พอตาเห็นกิเลสเกิดเนี่ยถูกปล้นไปไหมนั่นแหละพอเห็นปั๊บอกุศลเกิดปั๊บถูกปล้นไปแล้วสมมติหูได้ยินเนี่ยหูเนี่ยว่างจากสิ่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วพวังกจิตก็ถือว่าว่างด้วยว่างจากความเที่ยงว่างจากอะไรแต่พอหูได้ยินเสียงปั๊บจิตเป็นอกุศลหายใจเฮิรดเข้าไปเนี่ยได้รับเปลิ่นเข้าไปเป็นอกุศลเกิดมันอายตนาภายนอก เหล่านี้เหมือนกับเป็นของที่มาปล้นปล้นกุศลจิตปล้นปกติแล้วชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาไม่ขึ้นรับอารมณ์ภายนอกเป็นจิตชาติผวังนั้นจิตชาติผวังนั้นเป็นจิตชาติวิบากเป็นจิตที่ประพัดสอนแต่พอรับอารมณ์ปับ๊บอกุศลจิตก็เกิดแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงอย่าให้อย่าเห็นใช่ไหม คำสอนพระองค์บอกว่าเออเมื่อมันเป็นอย่างนี้อายตนะภายนอกปล้นหลับตาซะจะได้ไม่เห็นหูเนี่เอาสำลีมาอุดหูอุดจมูกไม่ใช่พระองค์ก็มาแยกใช่ไหมไมาแยกความจริงอันนี้อะไรเป็นสัจจะเป็นยังไงตากับสีเป็นสัจจะนะเป็นทุกขสัจจะพวกนี้เป็นสัจจะนะสัจจะบางอย่างควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปริญญาสามนั่นแหละ เมื่อมีปริญญามากๆเข้าจะเข้าไปเห็นว่าตาจริงๆเนี่ยมันเป็นของที่ว่างเท่านั้นเองเหมือนกับเรือนว่างมีแต่มันว่างจากสัตว์มันไม่มีสาระโดยตัวห้องมันเองเลยแต่มันอาศัยหลายๆอย่างมาประชุมมาประกอบดูเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะพระองค์จึงบอกว่าจิตเนี่ยเหมือนกับนักเล่นกลเหมือนกับมายากลมันหลอกดูเหมือนจริงเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะแต่ว่าแต่ละสิ่งเกิดจากปัจจัยประชุมพร้อม เกิดจากปัจจัยประชุมพรอเมื่อปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปสภาวะธรรมนั้นนั้นก็จะถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เลยอันในส่วนตรงนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาในสังเกตบ่อยๆนะที่จริงธรรมะเหล่านี้ก็มีไหมไม่มีเลยครรมะเหล่านี้ก็มีอยู่ตลอดแล้วเป็นสัจจะด้วยนะแ ต, แต่เป็นทุกขสัจจะทุกขสัจาไม่ควรเจริญแต่ควรรอบรู้ด้วยปิญญาสามนและ อ่าเรื่องนี้นะท่านกล่าวว่าบัณฑิตถึงจะเห็นอย่างนั้นนะถ้าปุถุชนไม่ได้เห็นอย่างนั้นน่ะเห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นนะเนี่ยเป็นความเห็นวิปลาสพวกเราเนี่เห็นวิปลาสนะถ้าเรายังเห็นอย่างนั้นเมื่อไหร่นะวิปลาสจริงๆนะเหมือนคนบ้านะเห็นผิดไปจากความเป็นจริงอ่ะแล้วท่านเปลียบบอกว่าความว่างเนี่ยว่างจาก ถ้าบอกว่าอย่างใจนี่นะพอมาทางใจนะอายตนะภายในคือใจอย่างเมื่อกี้ท่านอธิบายไหมมันว่างจากอะไรครับมันว่างจากความเที่ยงยั่งยืนเพราะว่าไอ้ริงเหล่านี้เนี่ยนะใจมันคิดก็จริงอยู่นะแต่ไอ้ปัจจัยทำให้มันคิดเนี่ยนะมันอยู่ได้นานไหมไ ม, ไม่นานมันมาแวบเดียวมันไปแล้วมาแวบเดียวมันไปแล้วเนี่ยเราจะถือว่ามันมีอยู่ไห มันก็ต้องถือว่าว่างอ่ะมันมาว้บนําไปแล้วมาแว่บนึงไปแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้ท่านเปลี่ยวว่าความว่างไม่มันเท้าท่านะว่าเออว่างคือมันไม่มีจริงอ่ะก็เหมือนกับบอกว่าจิตของเรานะมันรู้ทีละอารมณ์อารมณ์สายน้ํามันก็เปลี่ยนใจปลานะแต่ว่าอารมณ์มันก็เปลี่ยนใจเราอ่ะใจ๊ะไหมทันทีละอารมณ์จิตมันจะไปรับรู้ทีละอารมณ์พออารมณ์นี้คิดอย่างหนึ่งพออีกอารมณ์หนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งฮั้นสภาพจิตเนี่ยเป็นไปตาม อารมณะปัจจัยด้วยส่วนหนึ่งนั่นแหละเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บก็คนละงานกันแล้ว